รายการธรรมจัดสรรช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ สวัสดีคะ่ะช่วงสนทนธรรมแต้มโพในวันนี้นะคะขอเสนอบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตอำเภอแก้งคราะจังหวัดชายภูมินะคะพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านเป็นผู้ดูแลโครงกา ร, รเผชิญความตายอย่างสงบซึ่งเป็นโครงการที่ทำการช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ป่วยก่อนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะ รายะเอียดจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับบทสัมภาษณ์พระอาจ า, า, ยารย์ไพศาลวิสาโรต่อจากเมื่อวานนี้ได้เลยค่ะคือเมื่อกี้ที่พระพระอาจารย์บอกว่าสําคัญที่สุดของคนที่จะบอกคนที่อยู่ใกล้ตายเนี่ยคือคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดแต่นี้คนคนที่จะตายที่เราเห็นในปัจจุบนนะันในส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงพยาบาล นั้นคนที่อยู่ใกล้ชิด น, นะบางครั้งไม่ได้ตายในเวลาที่ญาติมาเยี่ยมมีแพทย์มีพยาบาลตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของพระอาจารย์รู้ป่าคที่เห็นว่าในกลุ่มพวกเนี้ยเราเอามาแนะนําเพื่อที่จะบอกทางกับคนตายอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้เนี่ยก็มีแพทย์พยาบาลจานว น, นมากที่ตระหนักถึงปัญหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วเขาก็พบว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์มีข้อจําจกัด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 ซึ่งก็ทําให้โครงการเทตมาดูแลเนี่ยคือโครงกา ร, รเผชิญความตายอย่างสงบเนี่ยตอนนี้ก็เลยจัดกิจกรรมการอบรมเริ่มมานานหรือยังเจ้าค่ะเริ่มมาตั้งแต่ปี4ี่หนะเราก็ทํามาแบบทีแรกปีแรกๆ ก, ก็ทําแบบปีแล้ไม่กี่ครั้งตอนหลังเนี่ยในช่วงสองปีหลังนี้ก็ทําทุกเดือนนะเป็นเป็นยังไงคะในระยะแรกนี่คือพระจารย์ไปให้การอบรมที่ ที่โรงพยาบาลหรือว่าเข้ามาอบรมกันที่วัดเจ้าคะอ๋อเราจัดอบรมในที่ที่สะดวกหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่สัมมนาครั้งแรกนีประชาสัมพันธ์กันยังไงเจ้าคะทีมที่มาครั้งแรกนี้ก็มันเป็นส่วนหนึ่งของเทศการของกระทรวงสาธารณสุขนะเราจัดที่ไบเทคตอนนั้นก็มีกิจกรรมหลายหลายด้านเจ้าค่ะการการอบรมเพื่อ ช่วยพูดป่วยให้ตายสงบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงกา ร, <ค>รกิจกรรมนี้เป็นคนเสนอกิจกรรมนี่เข้าไปในในทศการนั้นเจา้าคะอ๋อตอนนั้นตอนนี้เนี่ยมันมีสํานักยุทธศาสตร์และสํานักยุทธศาสตร์แผนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขก็ทําเรื่องนี้เขสนใจค่ะนะคุณหมอกลม่าจึงเสียนรัพย์กนนี้ก็เป็นคนที่สนใจเรื่องนี้นะแล้วก็คือปัญหานี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่แพทย์พยาบาลเนี่ย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 ผู้ป่วยมากแต่ถ้าเกิดย้าดเข้าใจว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ยเขามีอายุยืนยาวบางทีมันเป็นการยืดยืดความทุกข์ทรมานซึ่งการที่มีลมหายใจยาวขึ้น2อวันสวันหรือ1นอาทิตย์เนี่ยบางทีมันสู้การที่เขาจากไปอย่างสงบไม่ได้แม้เขาจะจากไปอย่างเร็วกว่าการยืดชีวิต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 เขาเห็นพ้องต้องการในในในในไซีตรงนั้นขอออฟขอดึงดึงเครื่องช่วยหายใจออกเพราะรู้ยังไงคนไข้ก็อยู่แบบทรมานการตรงนั้นเนี่ยเป็นการทําในคนไข้ยังไม่ได้ถึงวาระตายแต่ไปดึงท่อออกพระพระอาจารย์คิดตรงนี้ยังไงเจ้าค่ะคือกรณีนี้มันก็มีมีรายละเอียดอยู่อยู่ไปน้อยเพราะว่า มีผู้ป่วยบางประเภทที่อ า, อาจจะอาจจะถึงแก่ชีวิตแต่ว่ามีการพยายามใช้เครื่องช่วยชีวิตใช้การกระตุ้นหัวใจใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งถ้าหากว่าปล่อยให้เขาจากไปอย่างธรรมชาติเนี่ยก็คงจะไม่สามารถจะอยู่ได้ เรามองได้หลายแง่ในกรณีนี้คือการถอดเครื่องหายใจเราจะมาว่าเป็นการช่วยเขาได้กลับคืนสู่การจักไปยังธรรมชาติก็ได้นะอย่างถ้าอาจารย์พุทธทาสเนี่ยในช่วงเระยะ ก, ก็พยายามยื้อชีวิตเอาไว้ท่งนั้นที่ท่านก็มีคําสั่งจริงๆในครูบาอาจารย์หลายหลายรูปเลยนะเจ้าคะที่เห็นว่าพยายามที่จะยื้อท่านเอาไว้ โดยโดยใช้สารพัดที่จะเข้าไปช่วยท่านและไม่ปล่อยท่านปฏิบัติได้ถึงตรงสุดท้ายจริงๆตรงนี้บาปกับลูกศิษย์ไหมเจ้าคะ่ะก็คงด้วยความปรารถนาดีแต่ว่าก็จะทำให้ท่านไม่สามารถที่จ ะ, ะจับไปอย่างสงบได้ก็นี่อย่างกรณีเจ้าจากพูท่านนี่ท่านก็ทีแล้วก็มีการพยายามยื้อชีวิตท่านไว้แต่ทลังก็ยื้อไม่ไหวก็พาท่านส่สงกับสนโมนะก็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 คนไข้นี้เขาได้กลับคืนสู่สภาะการตายแบบธรรมชาติก็ได้ให้จังหวะการตายให้จังหวะชืนเขาเป็นไปอย่างตามธรรมชาติ่อยางเพราะว่ามีพยาบาลบางคนก็ไปถามญาติแล้วญาติก็กลับมามาถามบอกว่าพยาบาลถามว่าจะใช้เครื่องช่วยหายใจไหมคราวนี้เป็นการตัดสินของญาติแล้วว่าจะให้อยู่หรือไม่อยู่แล้วแล้วเขาจะทํำยังไงเขาควรจะจะให้คุณพ่อคุณแม่เขามีต่อไหมบอกว่า ถ้าทำแล้วเนี่ยคุณโอกาสจะรอดเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ปล่อยเขาธรรมชาติเหรอเพราะยังไงก็มันยังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วแล้วไปอย่างที่โอ้โหมีสารพัดที่จะเครื่องมือหรือมีการกระแทกลงไปที่หน้าอกเนี่ยมันไม่ได้นพาะสติมันกระเจิงแล้วคือในความเป็นจริงเนี่ยก็มีมีบางเคสที่ทาอย่างนั้นแล้วก็รอดอยู่ได้เป็นปีก็มีแต่ว่า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 แต่ที่จริงแล้วยังมีอย่างหนึ่งที่ย่าสามารถจะช่วยได้คือการช่วยเขาจับไปอย่างสงบ <Okay. S 1> หรือการช่วยเหลือด้านจิตใจคือไม่ติด้านจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ฐานหายไปเวลานี้เนี่ยใครๆก็ตามคิดอยากจะช่วยโดยคำนึงแต่ในเรื่องร่างกายก็ <Okay. S 1> คือทําให้มีลมหายใจให้ยาวที่สุดให้ยืนนานที่สุดแต่ไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คนไข้ต้องการเนี่ยสาคัญมากคือเรื่องการช่วยเหลือทางจิตใจ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 ใช้เวลาช่วงสุดท้ายเนี่ยยังมีคุณภาพกับคนไข้เช่นอยู่กับคนไข้คุยกับคนไข้พูดถึงความรู้สึกดีๆที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่มีชีวิตอยู่ร่วมกับคนไข้เช่นลูกเนี่ยอย่างเช่นมีคนไข้คนนึงเนี่ยนะพ่อเนี่ยคนไข้นี่ก็เป็นโรคไตวายวแกก็ต้องพยายามที่จะมีการฟอกไตซึ่งสิ้นเปลืองและทุกข์ทรมานมากอาการก็ไม่ไหว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 มันมีอีกวิธีหนึ่งที่ตัวเองสามารถช่วยได้ก็ตกลงตัดสินใจว่าไม่ไม่ไปปัม๊มไม่ไปไม่ไปกระตุ้นในการยื้อชีวิตเอาไว้ขอเวลาอยู่กับพ่อได้คุยได้อยู่กับพ่อจนกระทั่งนาที่สุดท้ายแล้วเขาก็มีความปลื้มปิติที่ว่าในช่วงที่สําคัญก็ได้อยู่กับพ่อแล้วก็ได้พูดถึงความในใจเขาได้บอกทางคนไข้ใช่ไหมามนึกว่านี่นี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งญาติเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่รู้ส่วนใหญ่คิดว่าทางเดียวที่ช่วยในใคนไขได้คือว่าปั๊มเต็มที่ใช่นะอย่างนี้แต่เขารู้ว่าเอ้ยมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้นั่นคือให้เขาจับไปสงบค่ะนะแล้วก็หลายกรณีเนี่ยนะเราเพบว่าไอ้การที่พูดกับคนไข้เนี่ยนะมันช่วยแม้จะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายเนี่ยมันช่วยทําให้เขาจับไปสงบได้ถ้ารู้วิธี ใช่มเช่นการที่การที่ได้พูดถึงความในใจให้เขาให้เขาน้อมึถึงสิ่งที่ดีนะและการพูดบอกทางเขาให้เขาเกิดความรู้จักปล่อยวางนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีมันมีอำนาจมากกว่าเทคโนโลยียตัวอย่างเช่นมีกรณีหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นเพื่อนพาทลายฟังครัวนขึ้นก็ไป ดูแลหลวพ่อคำเขียนซึ่งเป็นออาจารย์ธรรมาที่หลงพิมพ์จุฬาเพื่อนห้องข้าเนี่ยประมาณตีสองเนี่ยคนไข้เนี่ยทําท่าจะไม่ไหวยายก็เลยมาหาพระรูปนี้แม่พระอยู่ใกล้ๆใช่บอกว่ามาช่วยรับสังฆทานหน่อยเพราะคนไข้เนี่ยไม่ไหวนะเป็นคุณยายกระสับกระส่ายนะแล้วก็ยาก็เอาไม่อยู่ใช่ไหม ก็มารับสังฆทานท่านก็เอ่อก็มารับสังฆทานอ น, นะนะแต่ว่าท่านคิดว่าในเฉพาะเชนนี้เนี่ยทําทำได้มากกว่า น, นั้นท่านก็ได้ไ ด, ได้ได้รู้ว่าคนไข้เนี่ยชอบทาบุญชอบใส่บาทแล้วชอบไปวัดไตรมิตรไปไปทำบุญไปทำสมาธิที่วัดไตรมิตรไปกราบไ่ว้หลวงพ่อทองที่วัดไตรมิตรก่อนที่จะแนะนำใครเนี่ยต้องถามข้อมูลก่อนอ จาย่ามีข้อมูลทั้งหมดนี้ได้มาจากย่าใช่เลยท่านก็บอกว่าเอายมวนี่นพระนะเอายมนะก็เตรียมตัวใส่บาดพระนะเอายมคดข้าวใส่ขันเตรียมดอกไม้ทุกเทียนพร้อมหรือยังโอ้โหจินตนาการเลยเจ้าค่ะนะพร้อมน้อมนำระหว่างแล้วเนี่ยพอ พอไปไดสักพักเนี่ยโยมนี่แกนิ่งเลยแล้วแกก็ผนนมือผนนมื อ, อมคือพอคิดถึงพระนี่ค า, าววาชาวบ้านเราก็ผนมมือน ะ, ะแล้วก็บอกเอ้โยมนะตอนนี้ก็เดินไปหน้าบ้านนะมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาสิเห็นพระไหมไม่เห็นโยมบอกไม่เห็นมองทางซ้ายสิเห็นไหมเห็นแล้วโยมเห็นด้วยค่ะเพราะเพรา ะ, ะที่บ้านเนี่ยโยมพระก็จะมาทาง ทางซ้ายใช่ไหเออคือจิตเนี่ยย้อนน้อมกลับไปสู่ชีวิตที่เคยทําความดีที่เคยทําก็ใส่บาตทีละลูกทีละลูกทีละลูกพระท่านก็พูดนำเอาโยมใส่บาตนะอ๋อถวายดอกไม้ด้วยพระต้องเป็นนักจินตนาการด้วยนะเจ้าค่ะโยมแกก็จินตนาการไปเลยเจ้าค่ะก็ก็หยุดไม่ไม่ไม่ไม่กระสับกระซายเลยให้ออกจากกายไปเลยจิตน้องไปตรงนั้นเลยใช่ไหมเจ้าค่ะเขาก็บอกอ๋อ หลังจาที่ใส่บาครกกราบรูแล้วก็บอกเอายมตอนนี้ไปนะวัดไ ต, ตมิตรไปไปนั่งวัดไ ต, ตมิตรอะไปกราบพาระหลวงพ่อะไตมิตรแล้วก็สงบเลยนะโโนะคือท่านก็ไม่ได้ทําอะไรมากแต่ว่าท่านได้นําเอาความประทับใจหรือสิ่งดีๆที่โยมเคยทําเนี่ยตอกเข้ามาเพื่อเป็นเครื่องน้อมจิตให้เกิดความสงบความทื่รศทุรายเนี่ยหมดไปเลยนะแล้วก็ แล้วในไม่กี่ชั่วโมงนั้นโยงกันเขไปอย่างสมบูรณ์บุญสุดท้ายจริงๆเลยที่เขาได้เจอนะคะเหมือนได้นําจิตวิญญาณแล้วแต่กุศลใครกุศลมานั่นเนี่ยสร้างสร้างมาแล้วสุดท้ายจะไปเจอใครไปเจอวิบากไปเจอคนที่ทําให้เราจิตตกหรือไปเจอคนที่จะยกเราขึ้นไปสู่สมภิญติแต่ก็ต้องมีมีบุญที่เคยทําไว้เป็นพื้นเป็นทุนไว้ก่อนอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าบุญ ย่อมนำให้ประสบสุขในยามสิ้นชีวิต <c oughs> คือในยามสิ้นชีวิตเนี่ยคุณมีโอกาสประสบสุขได้โดยเพราะถ้าคุณมีบุญที่ทําไว้ก่อนแล้วค่ะความตายเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวความตายอาจจะหมายนึงภาวะที่มีความสงบอย่างยิ่งก็ได้โดยเพราะถ้าใจรู้จักวางให้เป็น <c oughs> นะ <c oughs> ในกรณีนี้เนี่ยต้องมีคนช่วยซึ่งคนช่วยเนี่ยจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นพระ หรือว่าอาจจะเป็นญาติหรือเพราะในกรณีที่บางคนเนี่ยเขามีเรื่องค้างคาใจเนี่ยเราจะช่วยเขาได้มากเพราะว่าถ้าเขามีเรื่องค้างคาใจเนี่ยยิ่ไปไม่สงบนะยังมีมีโยงคนนึงเนี่ยแกแ ก, แกเปเมะเร็งเป็นผู้หญิงนะแกเป็นเมะเร็งตายตอนสามทุ่มเช้าวสว่างตายยังไม่ปิดเลยฮะ พยาบาลพยายามพยายามปิดตาตาก็เปิดขนาดตายไปแล้วกายไปแล้วตัวพี่สาวเนี่ยก็ฉเฉลียวใจก็นึกขึ้นได้ว่าสงสัยแกคงยังห่วงลูกเพราะว่าตอนที่ป่วยหนักเนี่ยก็พูดถึงลูกลูกมีเสือสี่คนสองคนติดยาใช่ไหมกสุท้องเนี่ยอายุเก้าขวบไม่รู้ว่าใครจะดูแลเจ้าค่ะแกก็จุดทูปบอกว่าไม่ต้องห่วงลูกนะ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 ก็เป็นมะเร็งปอดนะแล้วก็สุดท้ายาาก็มาก็มาก็มารักษาตัวที่บ้านก็เริามา่มมามาเตรียมตัวตายที่บ้านคะ่ะนะพระก็ไปคุยนะให้ปล่อยวางนะแล้วก็ตอนที่วันสุดท้ายเนี่ยพออาการกเริ่มแย่แล้วเนี่ยตัวสามีก็ไปเรียกโทรศัพท์เรียกลูกเรียกหลานมาลูกก็มากันเกือบหมดขาดคนหนึ่ง ใช่ไแกก็เฝ้าคอยอนะคนเดียวนะแล้วก็เสร็จแล้วตอนค่ำๆเนี่ยนะก็บานเกือบครบขาดอีกคนเดียวเนี่นะแกก็ลุกขึ้นมานะลุกขึ้นมาแล้วก็ถามหาลูกคนนี้นะสามีก็บอกว่า ก, ก็ได้รับการแนะนำจากพระเนี่ยบอกให้ปล่อยวางก็บอกว่าอย่าไปต้องห่วงลูกนะลูกเขาดีแล้วไปดีแล้วนะขอให้เราปล่อยวางลูกไปเธอยังไงลูกก็ามาแน่นะ แกก็แกก็ปล่อยวางแกก็ลงลงไปนอนอืถ้าพักก็ไปต้องมีคนเตือนปล่สงบเอเนี่ยคือคือเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาช่วยช่วยชีวะถ้าไมีคนเตือนให้เขาออปลดปล่อยตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ได้สติตรงนั้นที่เขาคิดจะอยากจะปล่อยวางตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังยังยืดที่ทําให้เขาไม่ตายแล้วบางทียืดยืดนะบางทีทําให้บางคนเนี่ยไม่ตายง่ายๆใช่อย่างที่ อย่างที่มีดีเจคนหนึงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแกเป็นดีเจชื่อดังมา แ, แกก็ขยันนะเป็นดีเจยอดนิยมทํามหากินขยันแข่แข็ ง, ขงสร้างบ้านไปเลือนหอเตรียมแต่งงานเพ<ม>ราะว่าแกเป็นมะเร็งใช่ค่ะอาการก็หนักสุดลงไปเรื่อยๆนอะเพราะว่าร่างกายเอาไว้ทุกส่วนเนี่ยหมดไปเลยตายหมดแต่หัวใจยังเต้ น, นหมอแปลกใจมากเพราะว่าข้างๆเนี่ยแฟน ที่ยังไม่ทังจะได้ไม่ทันจะได้แต่งงานก็ร้องห่มร้องไห้โอ้ยังร้องอยู่ข้างๆบอกว่าอย่าพึ่งไปอย่าพิ่งไปอย่าพึ่งไปะอย่าไปแต่พอรู้ว่าเขาไม่ไหวแล้วมันทรมานนี่มันหลายมันหลายวันแล้วนี่ใช่ไหมเขาก็บอกมันก็ไปเถอะะไม่ให้เธอทรมานแล้วหัวใจหยุดเต้นเลยฮะอืไปเลยโอหจิตจิตพลังพลังของจิตตรงนี้สั่งกายได้ใช่บางที เขาไม่ยอมไปนะเขายอมไปเขาเขาาคอยอะไรบางอย่างนะบางทีก็คอยบางทีไปไม่ได้เพราะว่าคนที่อยู่ข้างเนี่ยยังห่วงกังวลเขาอยู่หน้าที่ของผู้ที่ยังอยู่เนี่ยคือช่วยเขาปล่อยวางแล้วก็อย่าทำให้เขายึดติดบางทีการไปร้องห่มร้องไห้เนี่ยสําคัญทําเลยใจนะเขาไม่ใช่คนตายเนี่ยไม่อยากตายไม่ใช่ไอ้คนที่ร้องไห้เนี่ยส่วนใหญ่หลวงพ่อสนองบอกมันต้องมีค้างอยู่กับตัวคนนั้นแตะว่ามันัดขาด ทำอะไรตัวเองผิดอะไรกับคนนั้นหรือเปล่าแล้วมันร้องไห้เพราะว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้าทําได้เต็มที่จริงๆเนี่ยมันไม่ค้างใจแล้วเพราะได้ประนิบาดเต็มที่แต่ส่วนใหญ่คนที่ร้องไห้คือมันมันรู้ว่าอดีตเนี่ยเราอาจจะพลาดหรือทําอะไรให้คนคนใกล้จะตายเสียใจแล้วมานั่งร้องไห้ว่าตัวเองไม่มีโอกาสอีกแล้วที่จะแก้ตัวก็อย่างที่พ่อคนที่ร้องไห้ทนที่ไม่อยากให้ลูกตายเนี่ยเพราะว่ายังรู้สึกผิดที่ ไม่ได้ทำทำอะไรไม่ดีกับลูกเอาไว้ใแต่พอพ่อเองเนี่ยนะเขาเขาได้พูดได้พูดนะมันก็ทำให้ทาให้เกิดความเรียกว่าการเยียวยาทั้งสองฝ่ายนะบางทีเนี่ยนะเออบางทีถ้าเราสามารถเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายก็ได้ได้พูดความในใจออกมาเนี่ย ให้การจาไปอย่างสงบก็เกิดขึ้นได้น ะ, <ฮ>ะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกค้างคาดใจในฝ่ายผู้ที่เจ็บป่วยหรือเป็นความค้างจจค้างคาดใจในฝ่ายที่เป็นญาติ <ฮะ S 1> สําคัญมากเ <ฮะ S 1> พราะฉะนั้นงในญาติเนี่ยอาตมาถึงบอกว่าเ้ามีความสําคัญมากนะบางทีเราไปพึ่งหมอไปพึ่งพยาบาลแต่เราลืมไปว่าตัวญาติเนี่ยนะเขาสามารถจะทําอะไรสิ่งดีๆให้กับคนไข้ได้อย่างน้อยนะการได้ไม่แม้มพูดเรื่องการบอกทาง การได้ขอขอมาการได้ขอสีการที่พูดความในใจค่ะแล้วบางทีนะคนไข้เนี่ยเขาเขารู้ว่ามันมีอะไรบางอย่าง <c oughs> ไม่ถูกอย่างเช่นมีมีมีคนมีแม่เนี่ยป่วยนะเพียอาการก็หนักเพยาบาลนี่ก็เห็นว่าคงจะไม่ไหวแล้วก็มาแนะนําลูกว่าให้ไปขอ ข, อขอมาแม่ซะลูกเนี่ย ไม่รู้จะพูดยังไงอืคือคนใกล้ชิดนี่บางทีขอขมาไว้เป็นนะเจค่ะขอโทษก็ไม่กล้าเขินนะเขินบางทีมันบอกรักยังไม่กล้าบอกเลยว่ารักแม่รักแม่ยัไม่กล้านะเขินนะแล้วก็แล้นเนี่ยพยาบาลก็แนะนําลูกก็ทําตามแต่แม่ก็ยังสีหน้ายังมีแววมีแววหม่นหมองบางอย่าง พยาบาลสังเกตขึ้นเลยไปถามลูกว่าไ ด, ได้ได้พูดความในใจหมดหรือยังลูกบอกอ๋อพยาบาลรู้ได้ยังไงมีเรื่องทีงไม่ได้พูดออืก็คือว่าไปอยู่กินกับผู้หญิงยังไม่ได้บอกแม่เลยเก็บเก็บปิดไว้ก่อนเก็บไว้เก็บเป็นความลับไว้ออืแกอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องสําคัญเจ้าค่ะใช่ไหมแต่แม่เนี่ยเขาเซ็นได้แล้วแม่รู้สึกว่า ทำไมจนถึงป่านนี้ยังไม่ไม<พ>บอกความในใ จ, จใช่ไหมหแม่ก็รู้สึกว่าทําไมลูกเป็นอย่างนั้นน้อยใจใช่ไหมสุดท้ายแกไปบอกเปิดเผยว่าเนี่ยได้ไปอยู่กิผู้หญิงแล้วนะไม่ได้บอกแม่ขอโทษด้วยแม่ก็รู้สึกดีขึ้นนะบางทีคนเราก็มีแค่นี้ ต, ต็กเรื่องเรื่องแค่นี้นะซึ่งคนที่เป็นคนที่เป็นคนไข้เนี่ยกับคนที่เป็นญาติเนี่ยถ้าหากว่าจับตรงนี้ได้เนี่ยพิยาม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 อขอห ย, ย, ยขอห้คุณพูดในสิ่งที่คุณอยากพูดมัอนกัว่าเขายังปกติดีอยู่ต้องการฟังอยู่เภ <c oughs> รรยาก็พูดว่าเนี่ยเขาสุขเขาว่าฉันเนี่ยมีความสุขเป็นคนโชคดีมากที่ได้อยู่กับเธ อ, อใช่อหมมีความสุขมากมีสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าฉันรักเธอแค่นี้นฉันคงอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีเธอแต่ว่าฉันก็หมายให้เธอได้ทุกมากไปกว่านี้แล้ว นะถ้าว่าเธอจะไปก็ขอให้ไปอย่างสงบไม่ต้องห่วงฉันฉันก็คงจะอยู่ได้เจ้าค่ะนะพอพูดอย่างนี้เสร็จแปรากฏว่าคนไข้าหายใจยาแล้วก็ไปเลยเจ้าค่ะที่เขารอแค่นี้นะค่ะพระอาจารย์ใช่ไหมงั้นข อ, นนขอย้อนนิดนึงนะคะ่ะเท่าที่ฟังมาเนี่ยจะมีผู้ใกล้เสียชีวิตทั้งที่โรงพยาบาลและบางทีก็ที่บ้านแล้วถ้าในขณะเดียวกันเนี่ยคนใกล้เสียชีวิตพร้อมๆกันหลายๆที่เนี่ยบุคลากรถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญพระอาจารย์ หาบุคลากรหรือว่าจัดสรรที่จะไปนําธรรมะไปจัดสรรตามสถานที่ต่างๆยังไงคะการคัดเลือกบุคลากรอ๋อคืออาตมาไม่ได้ไม่ได้ทำเองนะเพียงแต่ว่าจับรมใช่ไหมแล้วก็ให้แพทย์เพยาบาลหรือว่าคนที่มาลูกอบรมเนี่ยเขาไปไปไปทำของเขาเองกลุ่มนี้เป็นอาสาสมัครที่จะเข้ามาทำตรงนี้ ข อ, ของแต่ละชมรมของแต่ละหน่วยงานของโ ร, ร, รงพยาบาลใช่ไหมเจ้าคะ่ะส่วนใหญ่เขามีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วคือโรงพยาบาลหลายแห่งตอนนี้เนี่ยเขามีหน่วยที่เรียกหน่วยเพล a t i v e แคร์คือหน่วยการแพทย์แบบประคับประคองนั้นเขาจะเขาก็จะเขาสนใจโครงการนี้ใช่ไหมหเขาก็ส่งคนมามารับการอบรมนะแล้วก็อบรมให้3วันเอาใช้เวลาวันสามวันนะสาเนื้อหาแล้วเจ้าค่ะเนื้อหาเนื้อหาพูดถเรื่องของ ภาวะจิตของคนใกล้ตายนะเราพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือทางจิตใจกับผู้ป่วยใกล้ตายแล้วก็มีการทําซ้อมมีการก็เรียกใช้บทบาทสมมุติบทบาทสมมติคือก็สมมติว่าเออคุณเป็นผู้ป่วยใกล้ตายนะฉันเป็นพยาบาลนะจะพูดยังไงจะพูดยังไงเออฉันเป็นญาติจะพูดยังไงเจ้าค่ะเออเราก็มาสุ่กันว่าพูดอย่างนี้ได้ผลไหม คือต่อหน้าที่มีการอบรมทุกคนต้องทำหมดเลยจับคู่ทั้งที่เป็นคนไข้แล้วก็เป็นคนที่จะสลับกันเออสมมุติมีคนสามสิบคนใช่มสิบห้าคนเป็นคนไข้อีกสิบห้าคนเป็นเป็นเป็นญาติหรือพยาบาลแล้วก็จับคู่กันแล้วก็สลับกันใช่ไหมสลับบทบาทแล้วเราก็มาสูตว่าพูดแบบนี้เป็นยังไงพูดแบบนี้นี่คนไข้สบายใจไหมหรือคู่ควนี้แล้วคนไข้เครียดใช่ไหมแล้วก็สุดแล้วเราก็ไปเยี่ยมคนไข้ ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ๆเช่นที่ตะคองคปฐมเอาพาทั้งกลุ่มนี้ไป<ช>ไปเจอคนไข้จริงด้วยใช่นะสนามภาคสนามเลแต่แเรามีอย่าง อ, อื่นด้วยเช่นมีการทําสมาธิโดยกันเรามีมีการมีการเล่าถึงความในใจปลดปลื้มความในใจเพราะเราพบว่าหลายคนเนี่ยที่เขาที่เขาสงบรมเนี่ยหลายคนก็มีเรื่องค้างขาดใจโอ้โหนี่ได้ได้ไดกับตัวคนอบรมด้วยนะคะแต่สิ่งที่ค้างขาดใจเนี่ยมักจะหนีไม่พ้น ว่าเสียใจที่ไม่ได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพ่อให้กับแม่ให้กับย่าให้กับยายที่เขาดูแลเราทั้งแต่เล็กแล้วเขาจากไปโดยที่เราไม่ได้อยู่กับเขาใช่ไหมหลายคนเขาก็ได้ก็ได้พูดก็ได้แล้วเขาสุภาพเขาเบาขึ้นอคือการปฏิบัตินี้เราก็ทําเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยใช่ไหมคือเขาก็ได้เขายังก็ก็ได้ได้ได้สึกปลดเปลื้องสิ่งค้างขาใจ แล้วเขาก็จะรู้ว่าสิ่งข้างการะจายเนี่ยมันสาคัญเมื่อเขาจะไปแนะนําไข่เขาก็จะแนะนําได้ถูกใช่ไหมฮะ อ, อันนี้ก็เป็นเป็นการอบรมผู้เชี่ความตายางสงบแล้วเขาก็ไปทําไปทํางานเอาประสบการณ์ที่เขาได้รับเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันคนที่มานี่ไม่ได้มีแพทย์ะเงพยาบาลเป็นคนทั่วไปซึ่งเขามีพ่อมีแม่มีญาติที่เขาป่วยอยู่คนคนข้างนอกก็เข้ามาอบรมได้แล้วแล้ว เมื่อไหร่ที่จะมีการเปิดอบรมนะคะระยะเวลาก็มีมีทุกเดือนก็เปิดเรามีเว็บไซต์เว็บไซต์เว็บไซต์อะไรเจ้าค่ะ w w w b u n e n e t d u d n e t i n f o นะคะแล้วก็จะบอกว่ามีกิจกรรมอบรมค่ะหรือโทรไปที่เครือข่ายพุทิกาได้ไหมจ้าคะตรงนี้ก็เป็นศูนย์กลางเบอร์เบอร์โทรศัพท์เจ้าค่ะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวมบอกจะใช่ โทรศัพท์โทรไปที่ เ, เสมสิกขาลายซึ่งเป็นผู้จัดก็ได้นะฮะเ็เป็นผู้จัดร่วมกับเครือข่ายชาวพุดก็มีคือศูนย์สองสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่เจ็ดสามแปดห้าเจ็ดสามแปดห้าศูนย์สองนะคะสามหน<า>ึ่งสี่เจ็ดสามแปดห้านะคะค่ะ<า>เป็นเสมสิกขาลยนะคะ หลวงพ่อจะขายแล้วหนังสือที่หลวงพ่อเขียนเกี่ยวกับเผชิญความตายอย่างสมบเนี่ยนะคะในเล่มนั้นเนี่ยที่ยมอ่านไปเดี๋ยวไม่ได้อ่านหมดเล่ ม, มแต่หลวงพ่อพูดไว้ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยอยากให้คนในปัจจุบันเนี่ยรู้จักการปฏิบัติที่ดีเพื่อเตรียมตัวตายตัวเองไว้ก่อนก่อนที่จะถึงวินาทีนั้นที่จะมาถึงเนี่ยจ ะ, จะดีกว่าที่เดีเพิ่งมาบอกกันตอนที่จะใกล้าตายใช่ไหมคะหลวงพ่อแนะนําไวอ้อย่างนั้นใช่ไหมช่คะ ว่าปฏิบัติก่อนยังไงก่อนแต่ว่าโครงการที่หลวงพ่อจัดอบรมเนี่ยเป็นโครงการที่โยมเองสนใจแล้วแล้วโครงการนี้มีมีไหมคะที่ประสบการณ์ตายก่อนตายอะคะ่ะประสบการณ์ตายก่อนตายนี่เปนก็เป็นการเป็นเรื่องของการนําเอาแนวคิดเนี่ยไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันตายก่อนตายมันถือว่าตายจากกิน ห, หรือตายจากความยึดถือในตัวตนก่อนที่จะตายจริงๆในทางร่างกาย ผูนะ้งันตายจากตายจากตัวตนตายจากกิเลสนะซึ่งอันนี้เราก็คำนี้นเป็นคำของท่านจาพุทธทาสนะที่ท่านได้ได้พูดเอาไว้เราก็ในการอบรมนี้เราก็ได้พูดด้วยว่าคนเราต้องควรฝึกการตายก่อนตายเช่นเตรียมตัวตายหรือฝึกตายในขณะที่เรายังห่างไกลจากความตายเราจะฝึกตายก่อนนอน หรือว่าฝึกตายในชีวิตประจำวันนะก็ทำได้ฝึกตายก่อนนอนก็เช่นว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเราจะต้องตายในคืนนี้ะนะร่างกายของเราที่เคยอุ่นก็จะก็จะแข็งเย็นใช่หมลมหายใจที่เคยเข้าก็จะหลุดจากร่างไปมันต้องกลั้นลมหายใจไม่ใช่การต้อกตอนนึก เ, เรานึ ก, เ ร, นกเรานึกภาพใช่ไหะแล้วเราต้องพากจากทรัพย์สมบัติพากจากลูกหลาน พลาดจากงานการเรารู้สึกอย่างไ ร, รงใช่ไหมรเราพร้อมจะปล่อยวางได้ไหมเราก็จะฝึกให้รู้จักกับปล่อยวางนะฝึกคือฝึกตายก่อนที่จะตายจริงนี่คือขณะก่อนนอนถ้าเราเราตายท่านอนอแล้วเราจะมีอารมณ์อย่างนี้เนี่ยคิดถึงเรื่องอะไรบ้างและจะปลดปล่อยตรงนั้นยังไงใช่ซึ่งหลายคนเนี่ยบอกว่าเรื่องทรัพย์สมบัติปล่อยได้แต่ที่ปล่อยได้ยากคือเรื่องลูก เรื่องอคนรักพ่อแม่สาหรับคนที่ยังไม่มีครอบครัวแล้วเขารู้เลยว่าเนี่ยี่คือสิ่งที่เป็นเป็นปัญหาของเขาซึ่งเจาต้องแก้ไขแต่ว่าเขาก็จะรู้ว่าเออต้องฝึกทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนจนกะทั่งพร้อมที่จะปล่อยได้เพราะว่าถ้าเกิดคนเรต้องตายจริงๆเนี่ยเราเราไม่มีเวลาที่จะมาเตรียมตัวมากเท่าไหร่หรอกเราต้องพร้อมที่จะปล่อยได้ทันที และการฝึกเป็นนิสัยทำอยู่ ท, ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะก่อนนอนแต่ควรจะรวมถึงการเช่นขึ้นรถลงเรือก็ให้นึกว่าเนี่ยนนี้อาจจะเป็นการเดินทางาาครั้งสุดท้ายของเราจเจริญมรณะสติ<ช>ตลอดคร<ช>าวนี้<ช>ก็เริ่มจัดทีขึ้นแล้วไม่ได้แค่เฉพาะช่วงเวลาคร<ช>าวนี้เราเระลึกตลอดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุช่วงไหนถ้าถ้าฝึกได้อย่างนี้เนี่ยสติมันมามันมันจะคุมสถานาการณ์ตรงนั้น ในการที่จะคิดต่างๆได้เราจะรู้แล้ ว, ว่าจะน้อมจิตไปที่ตรงไหนในขณะนั้ น, นซึ่งถ้าถ้าใชา้วิธีอย่างท่านเจ้าูุทานเนี่ยก็จะนึกไปถึงกระทั่งว่าไม่นึกถึงตัวตนปล่อยวางตัวตนหมดสิน้นนะไม่ต้องไปนึกถึงสวรรค์ไม่ต้องไปนึกถึงสุคติอะไรทั้งสิน้นปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงไม่ติดทั้งในบุญในบาปไม่มีเลย อันนั้นก็กสําหรับคนที่เขาปฏิบัติถึงขั้นหนึ่งแต่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเราก็จะอาจจะนึกว่าน้อมนึกถึงสิ่งที่ดีก่อนใช่ไหมใช่ใชตรงนี้กำลังจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าคือจะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มไม่เคยปฏิบัติเลยกลุ่มหนึ่งปฏิบัติมาบ้างอีกกลุ่มหนึ่งปฏิบัติมากกว่าคนที่แนะนําอเนี่ยนะคะการการแนะนําเนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็เน้นควรจะเน้นอะไรในแต่ละกลุ่มนะเจ้าคา่ะอันนี้ก็ ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนก็ต้องนําไปปฏิประยุกเองแต่เราก็จะบอกเป็นขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ว่าให้ค่อนนื่ถึงมรณะสติอยู่เสมอในชีวิตประจําวันก่อนนอนหรือว่าในขณะที่เขาตื่นทางในขณะที่เขาอ่านหนังสือพิมพ์ได้เห็นข่าวอุบัติเหตุโศกนาฏกรรมแทนที่จะเห็นแล้วเนี่ยนึกว่าเป็นเรื่องคนอื่นน้องเข้ามาใส่ตัวว่าเนี่ยถ้าเป็นเราถ้าเป็นญาติของเราเราจะทํำยังไง ใหม่ๆก็จะกลัวบางบางคนบอกอย่าไปคิดอย่าไปคิดใ่ไคิดไม่ดีเดี๋ยวเดวมันเป็นจริงๆแล้วไม่เอาไม่เอาอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดในบ้านนะในทางพุทธศาสนาเราถือว่าการทำเช่นนี้เนี่ยเป็นการเป็นการเป็นการเตรียมในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรามาอะไรก็ได้ถือเป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ดีมากแต่เราน้าสติต้องพิจารณาเสมอเป็นธรรมะ เรื่องความไม่ประมาทเพราะเป็นมงคลเพราะเป็นเรื่องอัปมาท ธ, ธรรมซึ่งถือว่าผู้เจ้าถือวเป็นธรรมที่ครอบคลุมธรรมะทั้งบวงเหมือนกับรอยเท้าช้างเนี่ยครอบคลุมรอยเท้าสัตว์ป่าทั้งหลายอัปมาทธรรมนี่ก็เป็นธรรมะที่ครอบคลุมธรรมะทุกข้อแล้วก็มรณาสติคือการเจริญอัปมาท ธ, ธรรมอันนี้เนี่ยนั้นนี่คื อ, คอแบบแบบคนทั่ ว, วไปใช่ไหมฮะ อ, อันนี้สาคนที่ทําอยู่เป็นประจําแล้วเนี่ย เราก็ให้นึกเขาตอบไปว่าถ้าเกิดว่าความตายมันมากระทันหันเนี่ยอุบัติเหตุรถชนเครืค่องบินตกใช่ไหมหรือว่า เ, อาเกิดระเบิดอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งเกิดเหตุกระทำหันอย่างซึนามิเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรในช่วงเวลาแค่หนึ่งหรือสองสามวินาทีที่ยังรู้ตัวใช่ไหมแล้วก็ฝึกไปถึงขั้นว่าไม่ใช่เพียงแค่นึกในสิ่งที่เป็นกุศลเท่านั้นแต่เรานึกใน ถึงสิ่งเราน้อมนึกไปถึงเรื่องการปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงนะไม่มีตัวตนที่เป็นผู้ตายไม่มีไปพ้นจากความรู้ว่าฉันตายอตรงนี้เนี่ยมันก็ยากขึ้นมาอีหน่อยใช่ใช่เพราะฉันตายเนี่ยมันมียังมีฉันใช่มันอันนี้เราคือสิ่งที่เราเรียกว่าเหนือความตายคือไม่มีผู้ตายไม่มีฉันผู้ตายนะ และไม่มีม้กทั่ความตายเพราะมันเป็นเพียแค่การเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสภาวะใช่ไหมอันนี้เราก็มาต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมอย่างต่อนเนื่องอย่างที่พูดเนี่ยคือเราไม่ต้องมาเตรียมตัวตอนใกล้จะตายแต่เราต้องเตรียมให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคือการปฏิบัติธรรมเรื่องแต่การทําความดีสร้างสิ่งที่เป็นกุศลนะก็เรื่องอย่างละชั่วทําดีแล้วก็ทําจิตให้บริสุทธิ์การเจริญอัติปทาน และการพิจารณามรรสมาลสติอย่างต่อเนื่องนะจนกระทั่งว่าเรียกว่าถ้าสามารถตายจากความยึดถือในตัวตนได้มันก็เรียกว่าเหนือความตายอย่างสิ้นเชิงจค่ะพระาะอาจารย์ครับคนที่เขาใกล้จะหมดลมเนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่อไยตนะที่เขาดับก่อนนี่คือส่วนไหนคะถ้าพูดแบบที่เบะนเขาอธิบา ย, ยานี้ว่ามันจะเป็นไปตามลําดับของธาตุคือธาตุดิน ถ้าดินเริ่มไปก่อนก็คือหมดแรงไม่มีเรื่องไม่มีแรงเดินเดินไม่ได้นั่งไม่ได้ยืดไม่ได้ต้องนอนร่างกายผายผอมนะธาตุน้ําน้ําเริ่มแปรปวนน้ํามูกน้ําตาเยอะคอแห้งบางทีอุจจาะปัสสวะไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะเพราะว่าไอ้กลามนหูรูดมันอ่อนซึ่งมันเกี่ยวธาตุดินดินแล้วก็น้ําแล้วก็ไฟไฟก็เริ่มเย็นไฟธาตุเริ่มแตกดับคือว่า เริ่มเย็นบางที่ก็ร้อนมากอะไรเงี้ยใช่ใช่ที่ที่ยอมเจอคือตัวร้อนจีเลยนะราะร้อนแบบโอ้โหมันคนละสีแล้วก็ค่อยเริ่มเย็นเย็นขึ้นมาจากเท้าจากเท้าขึ้นมาจากเท้าขึ้นมาจากหัวลงมาก็มีอล้แล้วบางบางทีหมดลมไปแล้วตรงกายนี่อุ่มอยู่เลยตรงส่วนนี้ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอันนั้นก็ลมไปลมลมนี่อันสุดท้ายแต่ไม่ใช่ว่าลมลมหมดแล้วไฟไม่มีนะไฟก็ยังมีอยู่ มช่แต่ว่ามันหมดสภาพของของการยังชีวิตให้เป็นไปได้แล้วนะดินน้ําไฟลมอันนี้พูดถึงทั่วๆไปนะคนตายไปธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดคนตายแบบอุบัติเหตุหรือว่าตายไปไม่ไมเป็นธรรมชาตินี่ก็อีกแบบหนึ่งคราวนี้เนี่ยธาตุดินก็สมัยการเห็นเห็นนะตอนแรกก็จะเริ่มการเห็นก็จะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วตาฝ้าฟางต่อมาการได้ยิน<ม>ก็จะไม่ค่อยได้ยินแล้ว ต่อมาก็จะเป็นการได้กลิน่นก็จะไม่ค่อยได้กลิน่นแต่ยังสัมผัสรู้ตัวใครมาสัมผัสก็รู้ตัวยังรู้สึกได้แต่ถึงสุดท้ายนี่แม้กระทั่งสัมผัสก็ไม่รู้แล้วนี่นี่เป็นเป็นการอธิบายแบบที่เบตซึ่งเขาตมาคิด ว, ว่ามันก็ใช้ได้ทั่วๆไปกับคนป่วยส่วนใหญ่แต่จริงๆมันก็จะไม่ไม่รู้ได้ประสบการณ์คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นแค่การ แม้หมดลมแล้วเนี่ยก็จะเป็นการแค่การตายในทางกาย <c oughs> แต่ว่าจิตยังต้องมีการผ่านกระบวนการแตกดับเ <c oughs> มื่อผ่านกระบวนการแตกลาบอย่างจนจบแล้วถึงจะโรตตายอย่างสิ้นเชิงเมื่อหมดลมยังไม่เถือว่าตายนะใช่เพราะบางคนมีฟื้นกลับขึ้นมาอีกอะเจ้าค่ะอันนั้นเนี่ยอันนั้นก็ด้วยก็แสดงว่าถ้าดินน้ํำไฟลมยังไม่ยัง <kilo> ยยไม่แตกดับอย่างสิ้นเชิงการหมดลมก็จะเป็นการหมดหมดลมคือพวกนี้ไม่ได้ไม่ตายแบบไม่ได้ตายแบบ ไม่ได้ไม่ได้เกิดอาการเป็นธรรมชาติแต่ว่าอาจจะเกิดจากหัวใจหยุดเต้นเกิดจากอุบัติเหตุค่ะตอนนี้นะหลายๆคนไม่ทราบนึกว่าตายไปแล้วจริงๆทีตอนนี้พอ น, นึกว่าตายไปแล้วจริงๆบางครั้งกลุ่มพวกนี้กลับขึ้นมาได้แต่เกิดไปฉีดยาใช่ทำให้เขากลับมาไม่ได้แล้วพระโดนยาเข้าไปแล้ว อยากันกันสศกเศร้าอย่างนั้นไม่มีโอกาสกลับมีอย่างน้อยเขาก็อัดจำรีแล้วหลวงพ่อจมูกทุกทวารเขาปิดเขาอัดจมลีแล้วยังไงเป็นฟ่อนเลยด้วค่ะก่อนที่จะฉีดยาค่ะเพราะฉะนั้นหลายหลาอพอมาปฏิบัติแล้วจะเห็นว่าผู้นักปฏิบัติที่ไปเองไปอย่างสงบหลับตายย่งนี้มีไม่ชีรูปหนึ่งนะเจ้าค่ะที่ไปไม่นานเนี่ยหลับไปเนี่ยหลวงพ่อไม่ให้ฉีดยาไม่ทําอะไรเลย เพียงแต่เช็ด เ, เนื้อเท็ดตัวอาบน้ำแล้วก็แกก็หลับคนหลับสบายแล้วจากนั้นก็สวดไปเจ็ดวันไว้ในโ้งเย็นพอวันที่เอาออกมาเผาเขาก็ยกศพออกมาเพื่อที่จะวางผ้าไตรทอดบนบนศพเลยนะคะตั้งยี่สิบก่าไตรสามสิบกับไตรปรากฏว่าหน้าเธอเป็นสีชมพูหลวงพ่อ หน้าเป็นสีชมพูสวยกับอ้วันที่ละดีถ้าบางครั้งไม่ไม่เอาเข้าห้องเย็นนี่ไม่แน่นะะแต่ว่าก็ก็เมื่อตนไปดน้ําเนี่ยเพราะไปขอจับที่ตัวหน้าผักยังอุ่นอยู่เลยขนาดแกละไปตั้งแต่เช้ามืดนะคะลดลดน้ําอาสี่โมงเย็นแล้วอะค่ะหน้าผักยังอุ่นอยู่เลยโยกกลับให้หน้าผากไม่ซีกัหน้าผากเราก็อุ่นไม่ต่างกันเลยนะคะตอนหมดลงไปตัวเขียวเลยแต่วันที่เอามาเผาเนี่ดูสวยมามีอีกรณีหนึ่งเมื่อกี้ พระอาจารย์ไม่มีกลิ่นเลยหลวงพ่อพระอาจารย์ยังไม่ได้ตอบอีกอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือในกรณีที่ผู้นั้นปฏิบัติได้สูงกว่าเราไม่ถึงเป็นอายะมากอาจจะไม่ใช่อริยะแต่ว่าปฏิบัติธรรมะเนี่ยเขามากกว่าเราแล้วตรงนั้นเนี่ยเราควรจะเข้าไปในลักษณะยังไงอยู่เฉยๆหรือว่ายังไบกับช่วงที่ อาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือใครที่ที่จะมีใกล้ๆจะหมดเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคนที่อยู่ใกล้จิตคุณจะปฏิบัติตัวยังไงเจ้าคะก็ควรอยู่ในความสงบนะแล้วก็ปฏิบัติทำน้อมจิตให้สงบด้วยเพราะว่าให้ถือว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์เนี่ยก็เป็นเป็นสัญญาณเตือนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสังขาร ให้ถือว่าท่านกำลังมาแสดงธรรมครั้งสุดท้ายให้แก่เรานะแล้วก็เอพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราน้อมรับธรร ม, มานั้นด้วยใจที่มีสติไม่ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจแล้วก็เราลึกว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะให้เป็นเครื่องเตือนใจนะว่าเราพร้อมมีความพร้อมหรือ ย, อยังในการที่จะน้อมรับความตาย แล้วขณะเดีวยวกันการที่เร า, เาทําเช่นนั้นเนี่ย mm hmm. ก็ทําให้ใจสงบและความสงบของเราเนี่ยก็จะแผ่ออกไปสร้างบรรยากาศแห่งความสงบให้แก่ผู้อื่นซึ่งอาจจะยังไม่ยังทําใจไม่ดีพอ mm hmm. เขาก็จะพลอยได้รับความสงบด้วย <Okay. S 2> อันนี้สําหรับท่านที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็คงไม่ต้องการต้องการชี้แนะอะไรจากเรา <Okay. S 2> แต่เราควรจะน้อมรับหรือเปิดใจ รับอาธรรมะจากท่านในฐานะที่เป็นสื่อแสดงธรรมขั้นสูงสุดแลก็คือความไม่เที่ยงชีวิตที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนค่ะคือเวลาที่จะเข้าไปใกล้เนี่ยต่อให้ท่านทําสมาธิหรื อ, อยังไงไอ้คือท่านท่านหลับตายยังไงเนี่ยต้องมีการบอกกล่าวสักนิดนึงบางทีเห็นเห็นท่านนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีจะเข้าไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่จะปฏิบัติท่านเนี่ย บางครั้งที่ท่านกำลังกาลังปฏิบัติอยู่กำลังเจริญภาวนาอยู่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยอยากว่าหลายหลายคนก็ต้องระวังนิดนึงที่จะเข้าไปก็บอกสันิดเหมือนเหมือนเรากำลังทำสมาธิอ่ะอยู่ๆอีกคนมาเธอแบบมันสะ ด, ดุ้งอ่ะนึกนึกถึงเรารเองไต้องค่อยๆสำหรับหรับตัวตัวโยมเองก็คิดว่าตรงนี้ก็สำคัญในการที่จะเข้าไปเข้า ห, าหาหรืออะไรอย่าไปคิดว่า ท่านหลับอยู่หรือ อ, อะไรหรือแม้แต่คนปกติก็เหมือนกันนะเจ้าคะทาไมบอกเขาบางครั้งเขากําลังกําลังทําอยู่กำลังกำลังกำหนดพุดโทรบางคนบอกเขากําลังกําหนดอยู่แล้วพูดโธอยู่อะ่ะไม่ต้องมามาบอกอะไรเขามากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องเป็นความสังเกตของของคนที่จะเข้าไปด้วยอะ่ะเจ้าคะ่ะ ช่วงสุนทนาธรรมใต้ร่มโพในวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอเชิญพบกับบทสัมภาษณ์พระอาจารย์ไยศาลวิสาโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตอำเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะช่วงข้อคิดสกิดใจ พิจารณาความตายในผลที่สุดของตัวเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายไม่มีตนไม่มีตัวสักอย่างเดียวธาตุสี่ดินน้ำลมไฟรวมเป็นก้อนแตกสลายลงไปก็เป็นดิน น้ำลมไฟของเก่กมันมีอะไรเหลือละ่ะคราวนี้ทุกคนพิจารณาเห็นความจริงอย่างนี้มันก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากอุปัทถวันอันตรายทั้งปวงหมดต่างก็มีความเอ็นดูเมตตาสงสารปรานีซึ่งกันและกันเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เห็นเป็นขออนาตาทุกคนต้องอยู่อย่างนั้นทั้งหมดใจมันก็สงบคติธรรมคาสอนหลวงปู่เทศเทศรังสีจากหนังสือเทสโกวาด สำหรับวันนี้รายการธรรมะจัดสรรได้หมดเวลาลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกา